การที่เราเรียนครูสมาธิในครั้งนี้ถือว่ารุ่นแรกก็เรียกว่ารุ่นปฐมูรุ่นนี้ถือว่าเป็นรุ่นประวัติศาสตร์หลวงพ่อไม่ต้องการที่จะให้ผิดหวังต้องการที่จะให้ได้รับผลอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้น ยังได้ทุ่มเทเพื่อสรรหาสิ่งต่างๆอันเป็นของจริงให้นักศึกษาได้ทราบเพราะฉะนั้นทท่หลวงพ่อบรรยายตั้งแต่ต้นจนถึงบัดนี้ถือว่าเป็นคำพูดที่มีค่าทั้งสิน้นเพราะคำพูดเหล่านี้ จะเป็นคำพูดที่ออกมาจากสิ่งที่เป็นจริงไม่ใช่ไปเอาเรื่องเอาราวหรือว่าไปเอาสิ่งของใครที่ไหนหรือว่าไปเอาสิ่งที่ไร้สาระที่จริงแล้วเนี่ยเป็นคำพูดที่มีค่าทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นเทปที่ ท, ทผ่านไปนั้น จะเป็นเทพที่มีค่าที่สุดจะต้องเอาไปใส่อะไรที่มันอยู่ได้ร้อยปี